ได้อัถนะดีแล้วนั่งภาวนาให้นานๆต้องอดต้องทนไม่มีใครนะทาความดีให้แก่ตนมีแต่นตนของตนเท่านั้นและผัก น, นึกให้ดีทุกคนจะมีความสุขได้กับพ้อง ฝึกตนนี่แหละเพราะว่าประสบความทุกความเดือดร้อนกระเพาะปล่อยตนไปตามอำนาจของกิเลสทันหาไม่ได้ดักจริตนิสัยให้สงบระ ง, งับจากกิเลสนั้น มันเป็นชนีมานับชาติไม่ท้วนแล้วที่ล่วงแล้วมาดังนั้นให้พากันนึกทบทวนดูให้ดีมันควรจะเบื่อหน่ายได้แล้วควรจะเบื่อหน่ายในราคาความกนัดยินดี ควรจะเบือนายโทสะความคิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันควรจะเบือนายโมหะความหลงความเมาความไม่รู้จริงโมนีควรพากันพิจารณาให้มันเห็นว่ากิเลสเหล่านี้ควรเบือนายจริงอ่ เพราะมันทำทุกข์ให้แก่ตัวเองมานับชาติไม่ทวนแล้วถึงแม้ว่าเราจะรึกชาติหนหลังไม่ได้ก็าตามแต่มันก็เป็นความจริงเพราะมีปัจจุบันนี่แหละเป็นสกขีพยานนะปัจจุบันนี้ตนเป็นทุกข์กับกิเลสตัณหาฉันใด อดีตที่ล่วงมาแล้วนู่นก็เป็นทุกข์ฉันนั่นแหละอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงต่อไปมันก็จะเป็นทุกข์อย่างนี้แหละต่อไปอนาคตถ้าหากว่าไม่เพียรพยายามละกิเลสอันเป็นปัจจุบันนี้เสีย ดังนั้นนะให้พิจนารณาให้มันเห็นตัวกิเลสถ้าไปเห็นตัวของมันมันก็ไม่เบื่อหน่ายมันเหมือนอย่างคนที่ไม่รู้ว่างูตัวนี้มันมีพิษอย่างนี้นะ แล้วก็ไปจับมันเข้ามันก็กัดเอาก็ได้รับทุกขเวทนาอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละผู้ที่ไม่รู้จักตัวของกิเลสก็ไปยึดไปถือมันเข้ามันธรรมดากิเลสเป็นของร้อนอยู่ตามธรรมชาติของมันอยู่แล้ว เมื่อไปยึดมันเข้ามันก็เผาเอาอุปมาหนึ่งก็เหมือนไฟซึ่งมันเป็นธรรมชาติร้อนอยู่แล้วพอ เ, เอามือไปจับฐานไฟนั่นเข้าไฟมันก็ไหม้เมือ่อได้รับทุกขเวทนาเป็นแผลเวิกว่าถ้าหากว่าไฟนั่นเป็นของร้อนก็จริง แต่เมื่อไม่หักเอามือไปจับไม่ไปเหยียบมันเข้ามันก็ไม่เผาใครให้เดือดร้อนเจ็บปวดเลยมันก็ร้อนอยู่ตามธรรมชาติของมันอันนี้ฉั้นใดก็อย่างนั้นให้พากันเข้าใจกิเลสราคะโทสะโมหะมัน มันไม่ใช่มันเกิดเองนะจิตดวงนี้นะสร้างมันขึ้นมาโอ้ยเข้าใจแต่มันมีเชื้อติดตามมาเหมือนอย่างไฟอย่างนี้นะไฟอย่างนี้มันมีเชื้อเช่นไม่แห้งเป็นเชื้ออย่างนี้เนะี่ย แล้วเอามาถูกันไปถูกันมามันก็เลยเกิดเป็นไฟขึ้นได้อืเชื่อมันมีน่แต่เชื่อมันมีก็จริงถ้าหากว่าแม่เอามาถูกันมันก็ไม่เกิดเป็นไฟมันไปอย่างนั้นอันนี้ชั้นไดก็อย่างนั้นเนี่ย เชื่อของราคะโทสะโมหะมันก็มีอยู่แต่เมื่อจิตไม่ยึดถือเอาแล้วมันก็ไม่เป็นอ่ะมันก็ไม่เกิดเป็นราคะโทสะโมหะมันก็เป็นเชื่ออยู่อยู่อย่างเดิมนั่นแหละถ้าจิตไม่สร้างขึ้นมาแล้วมันไม่มีอ่ะ ลงพินาดูทุกสิ่งทุกอย่างอันดาเราทำจิตให้สงบลงไปได้อย่างนี้นะมองดูทุกสิ่งทุกอย่างมันมันไม่มีอ่ะมันไม่มีตัวมีตนอะไรอ่ะมันปรากฏแต่สาภาวะทำสาภาวะาธาตุ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองนะแต่หากว่าไม่ได้ทำใจสงบตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาไปอย่างนี้มันก็มีตัวมีตนไปเพราะเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งนนั้นั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนจริง คิดว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสบางสิ่งบางอย่างเป็นของน่ารักใคร่พึงใจจริงจริงนั่นเดียวาะมันเข้าใจผิดไปถ้าเข้าใจถูกแล้วก็มันไม่ยากอะไร สิ่งใดเป็นอยู่ใดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นอย่าจะไปโทษมันก็แล้วกันอย่าไปผูกพันกับมันรูปมันก็เกิดแล้วแปงพวนแตกดับไปอยู่ตามเรื่องของรูปเสียงก็เหมือนกันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปกลิ่นก็เหมือนกันรสก็เหมือนกัน สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เหมือนกันเนะี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปตามเรื่องของมันนะแต่มันเกิดมีปัญหาขึ้นนี่มันเพราะจิตเข้าไปเกี่ยวข้องเท่านั้นเองนะโดยเฉพาะก็ขันห้านี้เองเนี่ยเพราะมันอยู่ใกล้กับจิต จิตอาศัยขันห้านี้อยู่เมื่อจิตอาศัยขันห้านี้อยู่แล้วไม่พิจารณาให้รู้แจ้งตามเป็นจริงจิตนี่มันก็เกิดความกำหนัดยินดีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้แหละ เมื่อมันกำหนัดยินดีในขันห้านี่แล้วมันก็กำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสะพัสภ า, ภายนอกนุ่นลามปามไปทั่วเลยฮะมมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นอย่าพากันประมาทให้พึ่งมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้กายรู้จิตนี่ ให้เห็นตามเป็นจริงไปเสมอต้องทำบ่อยๆต้องพิจารณาบ่อยๆไม่ใช่ว่าพิจารณาครั้งเดียวแล้วมันมันแล้วไปเลยในเมื่อยังละความหลงไม่หมดเมื่อรู้แล้วในขณะ น, นี้ต่อไปมันผหลง อย่างงี้นะเงนั้นทุกคนต้องให้เข้าใจเอา้ามันหลงเราก็กลับมาให้มันรู้อีกทวนกระแส จ, จิตเข้ามาภายในเพ่งดูทุกสิ่งไม่มีตัวตนอะไรอะ่ะมีแต่สภาวะ ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกลับไปเท่านั้นเองนะแต่ว่ามันก็อาศัยการเวลาบ้างอันส่วนใหญ่นะนะแต่ส่วนย่อยแล้วมันมันเป็นอยู่ประจำวันประจำเวลาอยู่แล้วแหละอันรูปอันนี้ก็ดีนะมันเป็นยังไงมันเกิดมันดับ ก็การรับประทานอาหารเข้าไปอาหารนั้นไปหล่อเลี้ยงรูปให้ทรงตัวอยู่ได้วันนี้กากอาหารนั้นมันเลยเป็นของเสียของทิ้งเอาก็ถ่ายเทออกไปนั่นแหละรูปเกิดขึ้นแล้วดับไป พิจารณาให้เห็นถึง ว, ว่ารูปร่างกายมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็เพราะมันต้องได้บำรุงอยู่อย่างนี้แหละถ้ามันเที่ยงมันก็ไม่จาเป็นต้องบำรุงมันไม่ต้องรับประทานอาหารเลยไม่ต้องรับประทานอะไรมันก็อยู่ได้ ตลอดไปอย่างนี้คือว่ามันเที่ยงความจริงก็มีอย่างนั้นจริงๆความจริงก็หมายความว่ามันไม่เที่ยงมันจึงได้บำรุงอยู่จึงได้ประคบประงมอยู่อย่างนี้นะแต่เมื่อมันหลงแล้วมันสนาคัญมันเที่ยงนึ ก, กว่ามันได้ของสิ่งนั้นมาแล้ว มาใช้มา ส, าสอยล้ทนจะมีความสุขมันไปอย่างงานเรื่องมันนะได้มาทีแรกมันก็เป็นสุขสบายดีอยู่มันได้มาใหม่ๆขั้นใช้สอยนานไปบริโภคไปไอสิ่งที่ได้มาแนละ้วมันก็ชำรุดทุดทรมไป คราวนี้ก็เบื่อลเลยเนี่ยแบบนี้นะอะเบื่อแล้วพอเห็นของใหม่มาพออยากได้ใหม่อีกก็เพราะของไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้วจิตใจนี่เนะี่ยหากแปรไปตามสังขารเหล่านั้นนะมันจะมีความสุขที่ไหนล่ะมันไหลไปตามแล้วนั่นลองพิจารณาดูให้ดี นั่นแดลการที่พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญสมาธิภาวนาก็เพื่อฝึกจิตให้หนักแน่นให้ตั้งมัน่นไม่ให้วันไวไปตามรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องค้ำพัดในโลกนี้เองฮะท่านวันไวไปตามแล้วมาาันกหาความสุขไม่ได้แล้วเดือดร้อนดิ้นลน ต้องสแสวงหาสิ่งที่ตนรักตนไข่ตนพอใจนั่นแหละอ๋อแสวงหาประกับเป็นทุกข์อยู่พอแรงเมื่อใดมาแล้วก็เป็นทุกข์กับการบริหารรักษา เมื่อเวลาของรักของชอบใจนั่นแตกดับทำลายไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสมบัติในโลกอันนี้บุคคลยอมเป็นทุกข์ด้วยสมบัติในโลกอันนี้อยากได้สมบัติในโลกนี่สามการนะ รูปที่มีจิตคลองก็ตามรูปที่ไม่มีจิตคลองก็ตามมันก็มีสภาวะอย่างเดียวกันหมดเลยไม่แตกต่างอะไรพูดถึงความเป็นจริงแล้วนะมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเหมือนกันหมดเลยแต่ก็อย่างว่านั่นแหละ มันค่อยแปลปวนไปทีละน้อยละน้อยบุคคลผู้ที่ไม่ใช่ปัญญาอันสุขขุมละเอียดพิจารณาไปแล้วก็คล้ายๆกับว่ามันมันไม่แปลปวนมันไม่สำรุดสุดโทมรูปอันนี้นะเมื่อประดับประดาตกแต่งเขาแล้วก็อมองดูดเลยสวยงามจริง ผิวพันวันหนะ้าเขาวนวนมองดูแล้วแมสวยจังหัวเนี่ยอย่างนี้แหละไอความเป็นผู้ที่ไม่ละเอียดละอ่อไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดเข้าไปความจริงแล้วพระพุทธเจ้าแสดงรูปไว้สองประเภทเนี่ยมหาภูต ร, รูปคือรูปใหญ่ อุปาฏายรูปคือรูปอาศัยอุปัฏายรูปรูปอาศัยได้แก่อะไรได้แก่เสียงได้แก่กลิน่นได้แก่รสได้แก่สีต่างๆนี่นะได้แก่สัมผัสมูนี สีขาวสีเหลืองสีดำสีแดงอะไรหมอนี่มันร่วนแต่เป็นรูปอาศัยรูปอาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่นะอยู่ทั้งนั้นเลยแม้เสียงดีเสียงไพเราะหรือไม่ไพเราะเสียงเล็กเสียงใหญ่อะไรก็ตามนะมันเกิดจากมหาภูต ร, รูป เจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่มีบุญกรรมหล่อเลี้ยงรักษาไว้ให้กายกับจิตนี่อาศัยกันอยู่ได้แล้วมันจึงเปล่งเป็นเสียงออกมาได้เสียงนี่ก็เป็นรูปอันละเอียดอันหนึง่งต้องพิจารณาให้มันเข้าใจ กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นต่างๆพวกนี้ก็เหมือนกันนะออกมาจากมหาพูทธ ร, รูปนี้ทั้งนั้นแหละแต่เป็นเป็นรูปอันละเอียดอบุคคลเมื่อพิจารณาให้รอบครอบแล้วท้าไปถูกกลิ่นหอมเขาก็ชอบใจถ้าไปถูกกลิ่นเหม็นเขาก็ไม่ชอบใจอก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละจิตของ คนธรรมดาสามัญ น, นะวันนี้เรามาดัดแปลงกิิเนี้ไม่ให้มันเป็นเช่นนั้นวันนี้จะเปน็นกลิ่นหอมก็ดีกลิ่นเหม็นก็ดีก็มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วไม่มีอะไรเที่ยงเยีงย้งยืนเลยพี่นะให้มันเห็นอย่างนี้แล้วก็ทั้งกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นมาสัมผัสก็ทําใจ ให้เป็นปกติอยู่ได้ไม่แสดงอาการยินดียินร้ายออกมาหรือไม่แสดงยินดียนร้ายอยู่ภายในก็ไม่เอาอกำหนดรู้ตามเป็นจริงไปรสอาหารต่างๆก็ดีเหมือนกัน มันก็เป็นรูปละเอียดส่วนหนึ่งอาศัยรูปใหญ่อาศัยลิ้นนั่นแ่ะอาศัยวิญญาณวิญญาณวิญญาณมาอาศัยอยู่ที่ลิ้นนั้นเมื่อเอาอะไรอาหารอะไรเข้าไปวิญญาณมันก็รู้ มันก็สัมผัสเกิดขึ้นรู้ว่ารสอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยถ้ากว่าผู้ใช้ปัญญาสติปัญญาพิจารณาเห็นแล้วรู้เท่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายคำว่าอร่อยก็เป็นสมมติเราก็ไม่ปฏิเสธสมมติของโลกนั่นนะมันก็สมมติกันแหละ อันนั้นเกลียวอันนี้หวานอันนั้นเข็มอันนั้นหอมอย่างนี้มันก็มีอยู่ในโลกนี่นะอันสภาวธาตมเหล่านี้นะแต่ว่ามันไม่เที่ยงก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนดับไปมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหลม อจิตในสีไม่รู้แจง้งไม่รู้เท่าไปหลงยินดียินร้ายกับมันมันก็เลยเดือดร้อนขึ้นนะจิตนี่ถ้าได้รับรสอาหารไม่ถูกปากก็เอา้าเดือดร้อนบุ้นวายขึ้นมาแล้วถ้าได้รับประทานอาหารที่ถูกปากถูกคอเข้าไปก็ดีอกดีใจอย่างนี้ นี่แหละมั น, ม, นมันถึงว่ากิเลสมันไม่แห้งสักเทียมันเพราะมันหลงธรรมชาติเหล่านี้เองนะไปเงนินสีขาวสีเหลืองสีดำสีแดงสีกุหลาบสีอะไรต่ออะไรหมดนั่นแนหะมันก็เป็นรูปละเอียดอาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่เองนะันเมื่อธาต ตั้งสี น, นี้แปรปวนไปแล้วสีต่างๆเหล่านั้นก็แปรไปตามกันไม่เที่ยงไม่อย่างยืนเลยนี่นหละผู้ภาวนาแล้วอย่าไปละเลยต้องกำหนดพิจารณาโดนลำดับไปเลย ให้มันเห็นแจ้งอยู่เสมอเสมอถ้ามันเห็นแจ้งในรูปใหญ่รูปเล็กหรือว่ารูปละเอียดรูปหยาบ <c oughs> ก็มีความแตกดับเหมือนกันหมดอย่างนี้แล้วมันก็สิ้นงสงสัยนะมันก็มายินดียินร้ายอะไรเลย อย่าไปละเลยกรรมาฐานเหล่านี้นะมันหลงอยู่ตรงนี้เองนะตรงพี่ดาดูให้ดีหลงอยู่ผิวนอกนี่แหละหลงอยู่อุปทัยรูปนี่นะถ้ารู้แจ้งรู้เท่าอุปทัยรูปนี้แล้วมันก็รู้เท่าลุคมหาพูตารูป คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันนันมันก็รูดเท่าเหมือนกันเพราะธาตุดินมันก็เป็นอย่างงั้นนะอย่างผมขนเล็บฟันหนังอันโมนี่มันเที่ยงมาแต่ที่ไหนนะมันมันสะอาดมาแต่ที่ไหนนะต้องได้อาศัยการรักษาดูแลประคบประงมขัดถูชําระล้างอยู่เพราะว่านั้น ก็ถึงพอดูได้ก็อย่างนี้แล้วความจริงมัน็ีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจิตนี้ให้มันแน่วแน่อยู่ภายใ น, ในแล้วพิจารณาความจริงเหล่านี้มันก็ปรากฏชัดเลยมันก็คลายความยินดีพอใจลงไปเมื่อมันเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วนะ ถ้าพูดอีกจำนวนหนึ่งก็เรียกว่ามันเป็นเพียงเครื่องหลอกตาลวงใจให้หลงง่วงอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเองนะไม่ใช่อื่นไกลอะไรอ่ะมันหลงมาแล้วนับชาติไม่ทวนแล้วทบทวนดูให้ดีดันั้นควรตื่นตัวกันแล้วในชาตินี้นะเมื่อตื่นตัวแล้วก็ต้อง เล่งทําความเพียรอยู่ตลอดไปเพราะว่าความรู้ความเห็นอย่างว่านี่นะเมื่อมันยังไม่ยิ่งมันก็ปล่อยก็วางไม่ได้ดังนั้นต้องมันพิจารณาให้มัมนรู้มันเห็นยิ่งขึ้นไปแจ่มแจ้งไปเรื่อยๆเช่นนี้แล้วมันก็ถึงจะปล่อยจะวางได้ แต่พิจารณาเห็นในนิดหน่อยๆเราเลี้วไปนึกว่าตนเห็นแล้วดูแล้วเรื่องแม่เอาใจจดจ่อไม่เพ่งพิจารณาสืบต่อเช่นนี้หน่อยหนึ่งก็หลงอีกแล้วกลับไปยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสเหล่านั้นอีกแล้วก็เป็นอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าจึง ตรัสว่าวั ต, ตโตโลโกโลกมันหมุนไปหมุนมาอยู่นี่โลกก็หมายเอาจิตที่ยังคล้องอยู่กับธาตุดินน้ำไฟลมอันนี้แหละคำว่าโลกในทางธรรมพระพุทธเจ้าหมายเอาสัตว์โลก สัตว์โลกก็หมายถึงดวงจิตที่อาศัยรูปร่างอันนี้อยู่รวมกันเข้าเรียกว่าสัตว์โลกแปลว่าผู้ค้องอยู่ในธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่เน่ยัดว่าชัดๆออกไปแล้วใครล้คร้องอยู่ก็จิตตวงนี้แหละค้องอยู่ย อ, อืม ดังนั้นให้พี่นาดูให้มันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างก็มีจิตดวงเดียวเท่านี้เองเป็นแก่นในในชีวิตนี่นะที่เราสมมุติกันว่าคนว่าสัตว์ผู้หญิงผู้ชายมูนีน่นี่มันล้วนตั้งแต่มีกายกับจิตนี่อาศัยกันอยู่เท่านั้นเองนะ และจึงในสมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายเพราะกรรมมันตกแต่งมีลักษณะอาการแตกต่างกันไปบ้างเท่านั้นเองเนี่ยแต่ที่จริงเนี้ยมันก็องแต่งกันด้วยธาตุินน้ำไฟลมมันก็ตกแต่งเกิดขึ้นด้วย ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่เองนะแล้วก็มีรูปละเอียดอาศัยขยังที่ว่ามาแล้วนั่ น, นแหละนั่นน่นพี่นะให้มันละเอียดละอ่อล่ะจะไม่ได้หลงเภพาะว่าธาตุต่างๆเหล่านี้ สภาวว่าธรรมมันก็หมายความว่าสภาวว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงออกมาให้พุทธบริษัทได้เรียนได้จำเอาแล้วก็น้อมเข้าไปในใจนั้นให้มั่นคงไม่ลืมเลือน สภาวะ่าธรรมเหล่านี้แหละคือสภาวว่าธรรมที่เป็นกุศลเป็นอ ก, กุศลอ่าเราก็ต้องพิจารณาดูเป็นอย่างนั้นสภาวว่าธาตุมันก็นมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธ า, าตุ สภาะวะธรรมนี่ท่านจำแนกออกเป็นธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่เป็นอัพญาคตะธรรมแล้วก็อย่างนย้ออกไปธรรมส่วนที่เป็นโลกีก็ต้องรู้ทั้งสองประการเนี่ยธรรมที่เป็นส่วนโลกีอันนี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเลย ทำส่วนที่เป็นโลกุตระอันนี้มันเกี่ยวกับจิตดวงเดียวนี่แนหะถ้าพูดสั้นๆเข้ามาจิตดวงนี้ละอาสวกิเลสขาดจากสันดานไปไม่กลับเกิดขึ้นมาอีกนี่จิตดวงนี้เ้าเป็น โลกุตระธรรมเป็นธรรมอยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกียะธรรมทั้งหลายเพราะนั้นโลกุตระธรรมนี่มันจึงมีไม่มากพระศ า, ส, าสดาแสดงไว้มีอยู่สี่ประเภทเท่านั้นเองส่วนโลกียะธรรมนั้นมีเยอะมีหลาย จำแนกออกไปแล้วเพราะว่าทำที่เป็นโลกีเป็นมันปนเปกันอยู่เลยมีทั้งส่วนที่เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นอภิญญากาธรร ม, อ, มอย่างส่วนธรรมที่เป็นโลกุตระนี่มันกลั่นกองแล้วเป็นอย่างดี ทรรมที่เป็นอกุศลไม่มีอยู่ในโลกุตระธรรมเป็นอย่างนั้นดังนั้นใ ห, ให้รู้จักพิจรนารณาโดยบทสรุปเข้าไปแล้วเราจะเห็นช่องทางพ้นทุกข์ได้ถ้าจิตนี่นะไม่ยึดถือไม่สั่งสม ราคะโทสะโมหะมาไว้ในตัวเองแล้วจิตตรงนี้มันก็อยู่เหนือโลกนะก็ไม่มีทุกข์ไม่มีโศกอะไรเลยเป็นอย่างนั้นคำว่าไม่หลงก็หมายความว่าไม่หลงทาาตีขันธ์หน้าอันนี้เองนะ ไม่หลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนไม่อะไรใจข้องอย่างนี้แล้วธาตุสีข่ขาน่านี่มันจะวิบัติแปลป่วนไปอย่างไรยิทนี่ก็ไม่หวนไหวไปตามมันพราะมันเห็นแจ้งชัดอยู่แล้วว่าไม่ใช่ของเรา เป็นแต่สภาวภาตพสภาวธรรมอาศัยกันอยู่เท่านั้นเองเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกสลายไปเมื่อเหตุปัจจัยยังอยู่มันก็ยังเป็นไปอยู่รูปน้ําอันนี้นะต้องให้เข้าใจเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเหตุปัจจัยก็คืออวิชชาตัญหากรรม อาหารแค่นั้นแหะอวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุไปยึดถืออันนั่นของเราอันนี้ของเราแล้วก็ลงมือแสวงหาไปเอาได้มาโดยทางสุจริตบ้างในทางทุจริตบ้าง นายทางทุจริตเรียกว่าแสวงหาในสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นโทษอืนายทางสุจริตเรียกว่าแสวงหาทุกลูกเสียงกลิ่นลดเครื่องสมบัติโดยทางที่ไม่ไม่มีโทษไม่เป็นโทษก็อย่างนี้แหละพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านผู้รู้แจ้ง ในสภาวธรรมสภาวทถีเหล่านี้แล้วก็ท่านจึงละสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเสียแล้วก็มาเจริญธรรมที่เป็นกุศลในเมื่อพระอริยบุคคลขั้นต้นนี่ก็ยังจาเป็นต้องเจริญต้องพิจารณาปฏิบัติธรรม ให้ถูงขึ้นไปโดยลำดับจนกลัวจะถึงอรหัตผลเช่นนี้มันถึงจะหมดกิจที่จะต้องทำความเพียรพยายามละสิ่งมีควรละพยายามรู้สิ่งที่ควรรู้คอยเข้าใจกันอย่างนี้ดังนั้นตอเมื่อรู้ตัวว่ายัง ละกิเลสยังไม่หมดอันี้ก็จะไปนิ่งนอนใจไม่ได้ก็ต้องพยายามพยายามเพ่งพิจารณากายพิจารณาจิตนี้อยู่เสมอและไม่ไม่ใช่อื่นไกลอะไรนะการที่ว่าทำความเพียร น, นี่นะเอา้าจิตตัวเองเป็นอยู่อย่างไรในขณะนี้อย่างนี้นะ ไอ้ร่างกายเป็นอยู่อย่างไรในขณะนี้ทวนกระแสะอย่าไปคิดส่งออกไปข้างนอกให้เสียเ ว, เวลาเวลาไปมัแต่ไปส่งคิตคิดเพลินไปเรื่องนั่นเรื่องนี้ไปแล้วก็เลยไม่ได้ทวนกระแสะจิตเข้ามาพิจารณากายพิจารณาจิตนี้ ให้มันเห็นชัดชัดแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้มันก็นะไปมากิเลสมันก็เกิดขึ้นอีกแล้วทัานผู้ใดส่งจิตไปนอกไปข้างนอกมากๆเข้าไปแล้วกิเลสมันก็เกิดในใจนะเปน็นยังไงถ้ามันทวนกระแสจิตเข้ามา ไม่คิดส่งออกไปข้างนอกทวนความคิดคนนเข้ามารวมอยู่ในปัจจุบันนี่เอาให้มักคิดดูร่างกายอันนี้อย่าไปคิดสิ่งอื่นให้มากเลยว่างั้นเพ่งดูตั้งแต่ผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปเรื่อยๆเพ่งลำดับลาดาไปกระจายออกไปเลอยอาการสามสิบสองเนี่ย พิจารณาแล้วพิจารณาอีกอยู่นั่นนะให้มันเห็นเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมอยู่นั้นจนให้มันเห็นว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเลยบรรดาลูก ป, ประา ธ, าธาทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นแต่เพียงสภาวะธาตุเท่านั้นเองมีบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งเท่านั้นแหละ เมื่อบุญกรรมตกแต่งแล้วบุญกรรมนั่นก็ตามรักษาไม่ให้รูปนี่แตกดับทำลายไปก่อนนี่นะทันพอมดุดบุญหมดกรรมอันนี้ลงไปแล้วรูปนี่มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็แตกดับทาลายลงดวงกิจผู้อาศัยอยู่นี่ก็เป็นทุกข์เมื่อไม่รู้เท่านะไม่นึกไม่คิดว่าตนจะตาย จากภาพภาพจากรูปจากน้ำอันนี้ไปเลยพะว่าพิ่ตกวิจันเท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์เดือดร้อนไปเพราะไม่อยากจากรูปจากน้ำอันนี้ไปอยากอาศัยรูปน้ำอันนี้อยู่ไปอย่างนี้เรื่อยๆไปจนตราบเท่าใดต่อใด นู่นแหละความมุ่งหมายของจิตใจเนี่ยขอจะให้มีโรคใครมาเบียดเบียนแล้วก็ขอให้ร่างกายนี้เป็นปกติสุขอยู่เอยไปอย่างนี้นะนี่เป็นความประสงค์ของจิตที่หลงที่เมาที่ไม่รู้ความจริงอ่ะแต่มีความประสงค์อย่างนี้แหละแต่มันไม่เป็นไปตามใจหวัง นั่นแหละอยู่นานปีนานเดือนไปบุญกุศลที่มารักษาดูแล ร, ร่างกายนี่มันก็น้อยลงน้อยลงร่างกายนี่ก็สํารุดทุดโทรมไปเรื่อยๆนี่นหละเรียกว่ารู้เหตุรู้ปัจจัยของชีวิตของร่างกายผู้ไม่พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว มันมันก็ไม่เบื่อไม่น่ายไม่คลายความยึดความถือเหตุปัจจัยที่ตกแต่งร่างกาย น, นี้รักษาร่างกายนี่ให้เปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้เนะ่มันก็ไม่เที่ยงก็ยังว่ามาถึงตัวบุญกุศลนั่นแหละหรือว่าบาปนั่นแหละที่มาตกแต่งร่างกาย น, นี้มารักษาร่างกายนี่มันมันก็ไม่เที่ยง มันเกิดขึ้นแล้วมันก็หมดเป็นไปไปมันก็หมดลงอย่างนี้นะเมื่อบุญบาปหมดลงไปแล้วก็รูปนี้ก็แตกทำลายลงเท่านั้นเองเนี่ยมันจะมีอะไรอะ่ะแต่ถ้าไม่ได้ฝึกผนจิตตรงนี้สิวะนี่นะจิตตรงนี้มันไม่ยอมเลย แม้จะตายมันก็ยังสำคัญว่าตัวเองอยู่มันยังยึดถืออยู่คนไม่รู้นะ่ะเปองั้นนะเมื่อมันยึดถืออยู่มันก็เป็นตัวกรรมนยเป็นตัวกรรมก็นำจิตตวงนี้ไปเกิดในรูปอื่นอีกต่อไปมันเป็นยงนั้นอราไปเกิดในรูปอื่นอื่นอีกรูปอื่นก็ประกอบไปด้วย ธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุเหมือนกันเลยเหมือนกันเนี่ยจะไปเกิดพบใดธาตุใดก็ตามต่างแต่ว่าธาตุอ น, นั้นมันแตกต่างกันไปอยู่บ้างเช่นธาตุของสัตว์นรกอย่างนี้นะบาปกรรมมันแต่งให้หน่าเกลียดน่ากลัว ท่าของสัตว์ที่ไร้ฉานมนี้ที่เห็นกันอยู่นี่มันเป็นยังไงอืนั่นแหละเมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาสภาวชธาต่างๆเหล่านี้ลงไปแล้วทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งปานกลางก็มีความเกิดขึ้นแล้วแพร่โพนแตกดับไปเหมือนกันหมดเลยสภาวิธาต่างๆ ถ้า ท, ที่มีวิญญาณอาศัยมีจิตวิญญาณอาศัยอยู่ก็ดีไม่มีจิตวิญญาณอาศัยอยู่ก็ดีเหมือนกันหมดไม่แตกต่างกันเลยอมาแตกต่างกันแต่รูปที่มีวิญญาณคลองเนี่ยจิตวิญญาณดวงนี้เนี่ยจิตตรงนี้เองมันสําคัญเนี่ยมันยึดเอาบุญเอาบาปติดตัวไป ยึดเอาความรักความใคร่ความเกลียดชังความหลงความเมาติดตัวไปกิเลสล่วนี้เป็นตัวกรรมนำดวงขีดให้ไปเสวยสุขเสวยทุกข์ในโลกสงสารอันนี้ดังนั้นก็ขอยพากันพิจารณาให้มันเห็นให้มันรู้ตามเป็นจริงแล้ ว, ลวก็ หากผู้ไดไม่ประมาดมันพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงรเนี่ยอยู่เสมอๆอย่างนี้เนียอินทรีย์ก็จะค่อยแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับหรือถ้าพูดอย่างหนึ่งก็ได้ว่าอริยมรรคก็จะแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับลำดับไปเมื่ออริมรรคมีกำลังพอที่จะตัด สังโยชน์ในขั้นใดได้มันก็ตัดไปข้อสําคัญว่าแต่เราสร้างมันขึ้นมาเท่านั้นแหละแต่เมื่อเราไม่สร้างขึ้นมามันก็ไม่มีนะอริยมรรคก็ดีต้องสร้างขึ้นมาทำความเบียนทางใจอยู่เสมอเสมอดังกล่าวมาดังแนะนำสั่งสอนมานี่นะพอได้มีอุบายแง่พายอยู่ในใจเสมอเสมอไปแล้วก่อนนั่นแหละ ผู้นั้นก็จะเข้าใกล้ต่อพระนิพพานไปเรื่อยๆดังแสดงมา